ภิกษุณีแสดงอวัยวะอวดภิกษุสมัยนั้นพวกภิกษุณีฉับพักขีเปิดกายแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเปิดถันแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเปิดขาอ่อนแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเปิดองค์กําเนิด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 ภิกษ pues no um ุณีไม่พึงเปิดกายแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่พึงเปิดถันแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่พึงเปิดขาอ่อนแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่พึงเปิดองค์กำเนิดแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่พึงพูดเกี้ยวภิกษุทั้งหลายไม่พึงชักชวนสตรีให้มาคบหารักกับภิกษุทั้งหลาย รูปใดชักชวนต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลงธนกรรมแก่ภิกษุณีผู้ประพฤตเช่นนั้นครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเราพึงลงธนกรรมอย่างไร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 จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้งดโอวาทครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าการทำอุโบสถร่วมกับภิกษุณีที่ถูกงดโอวาทแล้วควรหรือไม่หนอ